ธรรมชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2550มีชื่อเรื่องว่าพระราชาเจ็ดวันวันนี้เป็นวันอุโบสถ ขึ้น15ค่าเดือน3เพนแต่ตามไม่จริงทุกปีวันนี้เป็นวันมาฆบูชาแต่ปีนี้เป็น8 2หนจึงเลยวันมาฆบูชาคงจะไปเป็นเดือน4เพนเป็นเดือนหน้าเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันพระธรรมด า, าเป็นถ้าจะว่าไปก็คือเป็นวัน เดือนสองเพนปีสองพันห้าห้าสบเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาห้าศูนยเป็นวันอุโบสถของพวกเราพวกเราก็ได้ลงอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่วันอุโบสถอย่างนี้ในหลักครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ปารบ ธรรมะหรือว่าธรรมวินยัยหรือว่าพระธรรมภาคปฏิบัติจิตตภาวนาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่โดยมากครูบาอาจารย์ยุคสมัยยุคใหม่พอลงโบสดเสร็จแล้วทั้งขอะเลิกกันแต่ตามไม่จริงเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้พูดกันเรื่องหลักพระธรรมวินยัยทว่าองค์ไหน เป็นยังไงมีความเข้าใจยังไงไม่เข้าใจยังไงก็จะได้ซักไซไล่เลียงถามแล้วก็หลักพระธรรมวินัยทำไม่พระพุทธเจ้าจึงหมั่นยัดผู้บวชเข้ามาสุดท้ายภายหลัง mm hmm. ก็จะต้องได้ฟังจะต้องได้ศึกษาต้องอาศัยผู้รุ่นพี่หรือพี่จะต้องอธิบายให้พวกน้องๆฟัง เป็น ท, ทอดๆไปแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการศึกษาและไม่ได้ยินได้ฟังจากรุ่นพี่กว่าที่จะศึกษาได้ก็ใช้เวลาพอสมควรที่จะดูหลักพระธรรมวินัยออกเพราะนั้นท่านจึงให้พูดเกี่ยวกับหลักทมวินัยในวันอุโบสถเมื่อลงอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรจะพูดเรื่องพระวินัย ใอ้แกพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่เรื่องศีลที่พวกเราสวดจบลงสักครู่นี้คือศีลพระปฏิโมกอันนี้พวกเราอย่ามองข้ามเด็ดขาดควรจะศึกษาทั้งกำรับจำราพระวินยัยเพราะว่าพระวินัยมีขีดจำกัดคำว่าจำกัดนคืออะไร คือคล้ายๆไม่ได้ตีความกว้างขวางที่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอะไรมากพร้อมที่ถ้าว่าพวกเราใส่ใจพวกเราให้ความสนใจพวกเราศึกษาก็จะรู้ได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรแต่เว้นเสียแต่เราไม่สนใจเราไม่ได้ใส่ใจพวกเราก็ไม่รู้ เพราะเหตุไรเพราขาดความสนใจแต่ถ้าว่าสนใจใส่ใจแล้วผมว่าหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่ของลึกซึ้งเป็นของที่ตื้นเข้าใจได้ง่ายเป็นเสียแต่หลักเป็นหลักเหตุผลบางอย่างคือพระวินัยบางข้อที่ท่านบัญญัติในครั้งพุทธกาลอันนั้นพวกเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่ายกสมัยนี้ท้องถิ่นของเราไม่มีอย่างภิกษุ หล่อสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมหล่อสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมไง MM. พวกเราอาจจะไม่เข้าใจสันทัดนั้นคืออะไรขนเจียมนั่นคืออะไรอไหมนี่พอจะเข้าใจได้เพราะเส้นไหมสันทัดก็คืออาสนะที่นั่งลอยสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมต้องนี่จะกี่ยปาจิตตี ภิกษุรอสั้นถัดด้วยขนเจียมดำล้วนต้องนิสจกียร์ปราจิติคือศีลของพระทั้งหมดตัวนี้เราก็ไม่จำเป็นเพราะเราไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้เหมือนยุคสมัยนั้นแต่ถ้าหากว่าเราจะใช้เราก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมที่ไหนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ภิกษุรอสั้นถัดที่จะรอสั้นถัดใหม่ ควรตัดสั้นถัดเก่ารือยๆมาปนลงในชั้นถัดที่รอใหม่เพื่อจะทําลายให้สีเสียถ้าไม่ทําอย่างนี้ต้องนิจจะียปาจิตีไนงะอันนี้ก็คือถ้าเราศึกษาเราอาจจะไม่เข้าใจยุคนั้นท่านทําไมจึงเน้นหนักจุดนี้มากนักเพราะว่าเป็นพระวินัยตามยุคตามสมัยแต่ยุคนี้สมัยนี้เราไม่จําเป็นเพราะงั้นเถอะ ไ, ไม่จําเป็นในสิขาบทนั้นแต่ยุคสมัยนั้น การที่จะทำอย่างนั้นมันเป็นความจำเป็นในยุคในยุคในสมัยแต่ยุคสมัยนี้มันความจำเป็นเพิอีกแบบหนึ่งเหมือนกันะ้ะแต่พราพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่กระทั่งทุกวันนี้ท่านก็คงจะเปลี่ยนแปลงการบัญญัติในพระวินยัยตามลาดับของยุคสมัยผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น อย่างทุกวันนี้เรื่องเครื่องยนต์กลไกเรื่องอะไรต่อมิอะไรที่พวกเราในยุคสมัยนี้ทางพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระพุทธเจ้าก็คงจะบัญญัติห้ามภิกษุใช้นั้นห้ามภิกจุใช้นี้ห้ามพิกจุทํานั้นห้ามพิกจุทํานี้ก็คงจะมีแต่นี้เราจะบัญญัติขึ้นมาโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นก็ไม่ถูกต้อง แต่เราก็ดูว่าการใช้ของของเราหรือว่าการกระทำของเราไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยจนเกินไปท่านก็จัดเข้าในมหาประเทศสี่คล้ายๆว่าอนุโลมอนุโลมตามหลักพระธรรมวินัยที่มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วท่านก็อนุโลมตามนั้นแต่เว้นเสียแต่ว่ามันขัดกันถ้าขัดกับหลักพระธรรมวินัยแล้ว ก็ยึดหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นเป็นแบบฉบับเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัตินั้นนี่คือพระวินยัยถ้าเราดูห ล, ลายๆอย่างอย่างที่เสกียวัฒนอย่างนี้ผมเคยย้ำอยู่เสมอการอยู่การฉันของพระทำยังไงอันนี้ก็ละเอียดละออไม่ฉันทางจับจับไม่ฉันทังสูตรสูไม่ฉันเลียมือไม่ฉันเลีย ริมฟีปากอย่างนี้ในพระวินยัยเราก็ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยแต่พวกเราก็ให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยที่เราได้อ่านได้ศึกษาได้เข้าใจแล้วอันนั้นแปลว่าศิลของเราก็บริสุทธิ์ตามหลักพระธรรมวินัยถ้าว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่ได้ศึกษาก็อย่างว่าไม่รู้ว่าการกระทําของเราขาดหลักตรงไหนอย่างไรนี่ย อันนี้ก็ขาดศีลศีลขาดไปเรื่อยศีลขาดมันไม่ใช่ข้องดีเหมือนกับผ้าขาดผ้าขาดเป็นยังไงผ้าหลุงหลิงหมดพระไม่มีศีลก็คือผ้าผ้าขาดเหมือนกับผ้าขาดจีวรขาดสบงขาดแล้วไปยังไงนุ่งผ้าขาดพระศีลขาดก็ลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราให้สำรวมระวังศีลคืออาพร ศินคือผ้าเครื่องนุ่งห่มศินคืออาพรก็คือเครื่องปกปิดร่างกายของเราไม่ให้อุจจารบาดตาสําหรับคนเห็นสินขาดศินด่างสินด่างก็คือผ้าของเราไปถูกกับยางมักตอยยางกล้วยอย่างนั้นอ่ะเออมันด่างตะกงตะกั่งมันก็ไม่น่าดูว่าศินด่างศินพลอยสินพลอยคล้ายๆว่า มันถูกผ้าของเรามันถูกยางมัดถอยกระเด็นใส่อย่างเนี้ยเป็นจุดดำดำด่างอันนี้ว่าสินพลอยก็ไม่น่าดูอีกเหมือนกันศินทะลุศินทะลุคือมีศินเป็นรูเป็นจุดๆค่ะข้อนั้นก็ขาดบ้างข้อนี้ก็ข้อขาดบ้างออันนี้แปลว่ามันนั้นเป็นรูบ้างตัวนั้นก็เป็นรูบ้างคือว่าสินข้อนี้ก็ขาดอย่างว่าเราจะไม่ชั้นดังจับๆอย่านี่ เราฉันเราลองกระดันฉันดังจับจับซะอย่างเนี้ยอันนี้แปลว่าศินข้อนั้นทะลุแล้วตรงนั้นจุดนั้นเราจะไม่ฉันเลียมือเราฉันก็เลียมือซะอย่างนี้สินตรงนั้นก็ขาดไปแล้วเป็นรูแล้วนี่แหละเียว่าศินทะลุสินเป็นรูแต่ว่าสินขาดคล้ายๆกับว่าขาดสินขาดจากการเป็นพระเลยว่าขาดการเป็นอยู่เพราะว่าสินขาดเพราะนั้น พวกเราให้ศึกษาให้เข้าใจโดยมากผู้ท่จะบวชต่อไปภายภาคหน้าผู้จะบวตให้นมนานศีลนี่นควรจะศึกษาเรื่อยๆนะเราจะไปมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดตัวนี้อย่างผมทุกวันนี้ผมก็ยังดูอยู่เรื่อยศีลทบทวนอยู่อย่างศีล น, นาวโกวาตอย่างนี้ผมก็พยายามอ่านหรือศีนในพระไตรปิฎกนี้ผมก็พยายามอ่านเพื่อเข้าใจเพื่อให้ความชั้นนี้ชนานาญหรือกัน โหรือว่าการที่จะนำมาไตรตองเหตุและผลในสินที่เราได้ศึกษามาแล้วเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ลืมได้ง่ายเหมือนกันถ้าเราขาดการใส่ใจแต่ ถ, ถ้าเรามีความใส่ใจอยู่เสมอเราก็เป็นการทบทวนอยู่เสมออย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติวินัยให้สวดพระปฏิโมกทุกวันพระอย่างนี้ทุกวันสิบห้าค่ำอย่างนี้กลางเดือนปลายเดือนกลางเดือนปลายเดือนอย่างนี้ ท่านทำไมจึงบัญญัติให้ทำอย่างนี้ก็พุทธรประสงค์ของพระพุทธเจา้าต่อใหว่าพวกเราไม่ใส่ใจพวกเราลืมไปซะไม่ได้สวดปีหปึ่งสปีจะ ม, มาสวดครั้งหนึ่งอย่างนี้พวกเราเอาจจะหลงลืมหลงลืมศีลขนาดเราสวดทุกวันพระสิบห้าคำอย่างนี้พวกเราก็ยังเหลืองเจงิ่งบางองค์บางท่านเพราะนั้น ให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะไม่ได้สวดพระปฏิโมกนะไม่ได้พระปฏิโมกเราก็พยายามศึกษาให้เข้าใจในศีลของพวกเราจากนั้นก็ให้สํารวมให้ระวังอย่าให้มันศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพลอยให้เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์นะอันนี้ก็คือพระภิกษุที่จะดารงทรงศาสนาอยู่ได้เพราะพระเจา้าท่านตรัสไว้เป็นพระบาลี ท่านว่าธรรมะวินัยดรวธรรมวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นอันนี้ก็คือท่านเน้นหนักว่าถ้าว่าภิกษุขาดศีลจ้ะศาสนาของตถาคตศาสนาของพุทธะศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะล่อยหลอขาดสะบั้นลงในช่วงนั้นขณะนั้น พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าพูดจะทำลายศาสนาของเราให้เสื่อมไปนั้นไม่ใช่ใครอื่นคือพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรนี่แหละถ้าว่าศาสนาของเราตถาคตจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็พวกพุทธบริษัทสีของเรานี่แหละ อุบาสกอุบาสิกาภิกษุสา ม, มเณรนี่แหละที่จะเชิดชูบูชายกยอดำงรงศาสนาให้ได้นานยาวนานไปได้อันนี้คือสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านมอบความไว้วางใจมอบความไว้วังพระทยัยให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงกรบอกว่า สากยบุตรพุทธชินนรสคือพระพุทธเจ้ายอมให้เป็นลูกของพระองค์ให้พวกเราเป็นพระนี่เป็นลูกของพระองค์สมัยเมื่อสมัยก่อนเมื่อบวชเข้ามาแล้วพระพุทธองค์พระสงฆ์ไปณถิ่นใดที่ใดคนทั้งหลายว่าส ม, มณะส ม, มณะมาจากไหนอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ยอมให้ว่าส ม, มณะสากยบุตร ขนาดพระพุทธองค์ยังท่านเป็นภักมหากษัตรตระกูลของกษัตรท่านยังยอมให้พวกเราที่เข้ามาบวชอยู่ในหลักพระธรรมวินัยยอมให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นลูกต่างระดับพระพุทธองค์ยังให้ยอมให้เป็นสาสกยบุตรนี่แหละพระพุทธองค์ท่านมอง พวกเราท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปถือว่าเราเนี่ยตำต้อยเราอย่าไปถือว่าเร า, เาไม่เหมาะสมพระพุทธเจ้ารับพวกเราให้เป็นสากยบุตรพุทธชินนรสนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่บวชในพระ พ, พุทธศาสนานัว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งถาว่าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่พระพุทธองค์ก็ยังแนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จัก คุณงามความดีศีลธรรมจริยธรรมการเป็นอยู่ของพระสงฆ์ทํำยังไงยังไงพวกเราก็จะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนแต่นี้ก็เถอะนะนี่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วแต่ทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังยังอยู่ยังอยู่ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้วางเอาไว้หลักใหญ่ใหญ่เลย อย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งต่อหลายหนสติปฐานสี่การภาวนาสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมักไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาล้วนแล้วจะเป็นหลักในหลักของพระพุทธศาสนาถ้าเราพิจนารณาดูแล้วเป็นหลักที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย แต่พวกเราท่านทั้งหลายบางยุคบางสมัยก็ดูถูกดูถูกใครๆก็ว่าไม่เห็นด้วยในยุคสมัยใดหลายๆสมัยอย่างยุคพระเจ้าธรรมสศกราชอย่างนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาคือพระยาธรรมสุราชนี่พระพุทธองค์ปรินิพานแล้วสามรอปีนะตามหลักถ้าผมจำไม่ผิดนะ 300ปีและท่านก็สร้างท้าววรวัตถุมากที่สุดในประเทศอินเดียยุคสมัยนะะี้ครับก็ยังเห็นว่าฝีมือของพญาธรรมโศกราชแต่ท่านพูดในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าที่บันทึกพระอธกิกษาจารย์นะว่ารุ่นหลังๆที่บันทึกเอาไว้ก็ว่าพญาธรรมโศกราชท่านสร้างทาวรวัตถุไว้ถึง 84,000 ชิ้นหรือว่า 84,000 ตัวอย่าง อย่างพระเจดีย์อย่างนี้บันทึกเอาไว้อย่างจะทูปอย่างนี้บันทึกเอาไว้หลักศิลาจารึกบันทึกเอาไว้ศาลาอย่างนี้ก็บันทึกเอาไวาาาาา้บันทึกเอาไ ว, าว้สรุปแล้วก็คือสร้างในขอบเขตสิมาของที่พระองค์ทรงปกครองอยู่นั้นนะถึง84ดหมพอัน 84%, ดหมพชิ้นก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันจากนั้นทางก็ฉลอง ฉลองพร้อมกันทั้งหมดเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ท่านฉลองกําหนดฉลองพร้อมกันหมดนะอันนี้ก็คือพระเจ้าแป่นดินในยุคสมัยนั้นท่านให้ความสําคัญในพระพุทธศาสนาในอย่างมากถ้าว่าเราได้ศึกษาในประวัติของแต่ละยุคแต่ละสมัยองค์นั้นก่อบสืบทอดองนี้ก่อพยายามต่อเนื่ององคนั้นก็พยายามรักษาเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพระ อย่างน้อยก็ทําตนให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีจะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนนานแต่พวกเราทําตัวไม่ดีนะถ้าทําตัวไม่ดีทําตนออกจากหลักพระธรรมวินัยไม่ยึดมั่นใน ห, หลักพระธรรมวินัยออกนอกลูกนอกทางอันนั้นท่านว่าทําลายหลักพระธรรมวินัยหลักทําลายพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่เจตนาถึงจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม การทำลายเนยเสียหายด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับเราทำค้อนหลุดมือไปนี่หรือทำมีดทำพระทำขวานอะไรหลุดมือลงไปไม่เจตนาและไปโดนคนอื่นเข้านะถึงตายได้ไหมตายได้เฮยอย่างเขาทาปืนลั่นหรือว่าปืนอะไรลั่นออกไปเนี่ยโดยไม่เจตนาคนนั้นตายได้ไหมตายได้ไม่เจตนาเอาไม่เจตนามันจะไปตายได้ยังไงไม่ใช่อย่างนั้น การทำความชั่วก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเราไม่รักษาตัวเองโดยไม่เจตนาแต่ว่าหลักของพุทธศาสนาแล้วคนอื่นทำให้เสียหายได้ดังนั้นให้พวกเราให้ระวยงระวังสํารวมกายวาจาของเราอย่าให้เกิดความเสียหายให้ตรวจตราไวห้หยุดเสมอเราเป็นพระถือว่าเราเป็นพระพระในพระพุทธศาสนา สิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าลิคิดลิทำลิพูดอ่าสินก็คือรักษากายวิจาของเราให้เรียบร้อยนั่นนะ่ะสินสมาธิก็ ค, ค, คือความตั้งใจมั่นอ่าปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารอันนี้ผมมาพูดถึงพญาธรรมโศกราชอีกทีนึงในตระกูลของพญาธรรมโศกราชเนี่ยมีพี่น้องอ่มีพี่มีน้องมีลูกมีเต่ามีวีวงศสกุลกันยังบอพระบรมวงศานุวงศ์ ในทุกยุคทุกสมัยพระองค์ก็มีอนี่น้องชายของท่านคนหนึ่งตั้งที่ท่านจะได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลนะสําเร็จมรรคสาเร็จผลจะได้สําเร็จอยู่แล้วนิสยัยอุปนิสยัยมรรคผลนิพพานมีเต็มเปี่ยมแล้วแต่ว่าความไม่เชื่อมันมีนี่แหละทิฏฐิตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเอทิฏฐิคือความเห็นตัวเนี้ยไม่ใช่ธรรมดานั่นเพราะฉะนั้นท่านก็คัดขวางพ พี่ชายของท่านให้ข้าวอกไม่ออกพูดออกหน้าออกตายอกแต่ทํายังไงก็ตามพี่ชายของเราเนี่ยลุ่มหลงงมงายมัวเมาเอานับถือสัพท์สมณะหัวโลนก็ไม่มีอะไรปนปือมีอะไรก็ให้สมณะกินหมด อ, อสมณะทางหลายมัวเมาเอารุ่มหลงกับการเป็นอยู่ของตนเองเขาก็มีแตน ดูถูกว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพี่เนี่ยส่งเสริมสมณะโดยไม่มีเหตุไม่มีผลในใจของเขาแต่นี้เขาเนี่ตัวเขาเน่ยก็ทําออกนอกลูก่นอกทางคือวิชาอาชีพของเขาหรือว่าเกมกีฬาของเขาชอบที่สุดก็คือล่าสัตว์ในป่านะมันตรงไปอย่างนั้นทนเลยไปล่าสัตว์ในป่าเที่ยวป่าตามธรรมชาติคือว่าเป็นเกมกีฬายิงสัตว์ในป่า เที่ยวป่าอย่างนี้ทีนี้ท่านก็เที่ยวป่าเที่ยวรงพงไพ่ไปเรื่อยท่านก็ไปเห็นลือสีลือสีนี่ก็ตัวพร้อมไม่มีอาหารลือสีท่านก็เพ่งตปะปากหนังหุ่มกระดูกนะสพังไปด้วยเช่นเอ็นสพังไปด้วยกระดูกเแปลว่าลือสีท่านอยู่ในป่าท่านที่อยู่ในป่าอาหารก็ยางว่าใบมักเม่าเป็นอาหารหลัก จากนั้นทางก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาหารพกผละหมากลากไม้จะให้สมบูรณ์ก็คงเป็นไปไม่ได้ไม่เหมือนพระอยู่ในเมืองพระอยู่ในบ้านในเมืองที่พญาธรรมโศกราชที่ท่านบำรุงพระพุทธศาสนานั้นทั้งน้ำอ้อยน้ำตาลขนมนมเนยสมบูรณ์บริบูรณ์อ่างั้นเถอะแต่นี่น้องชายของท่านพญาธรรมโศกราชเนี่ยท่านก็เห็นพระสมบูรณ์ ร่างกายสมบูรณ์แต่ฤาษีอยู่ในป่าสับพังไปด้วยเส้นเอ็นท่านก็ไปถามฤาษีท่านฤาษีท่านอยู่ในป่าเนี่ยท่านทุกใจเรื่องอะไรมากที่สุดหรือท่านมีความสุขแล้วท่านทุกใจเรื่องอะไรไปถามฤาษีฤาษีนั่นก็บอกว่าความทุกใจของเราเนี่เมื่อเราเห็น สัตว์ทั้งหลายเมื่อเราเห็นสัตว์ตัวผู้ตัวเมียมีเพศสัมพันธ์กันเราเนี่ทุกข์ใจมากคล้ายๆกับว่าเป็นทุกข์กับการมีเพศสัมพันธ์ในสัตว์ให้กว่ากามกิเลส ข, ของท่านลือีเนี่ยมันกระโดดออกไปทีนี้ท่านไอ้น้องชายของพญาธรรมโสกท่านอโอ้โหขนาดลือสีสะพังโดยเส้นเอ็นขนาดนี้ยัง พิถกังวลในเรื่องการม ก, กิเลสครึ่งขนาดนี้ส่วนพระในพระพุทธศาสนานั้นอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องการม ก, กิเลสจะล้ำหน้าขนาดไห น, นอันนี้ก็คือเป็นเป็นบทหนึ่งทําให้น้องชายของพญาธรรมโศกราชนั้นนำมาคิดประงารแต่จากนั้นท่านก็ได้คํานี่หละมาพูดมาเผยแผ่ให้แก่ใครต่อใครฟัง พญาธรรมโศกราชเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงดีเอ้เราจะสอนน้องชายเรายังไงเอี่ยทไมเขาเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดอย่างนี้เขาก็ว่าเขาเห็นถูกนะ่ะเอีขนาดลือศีสะพังเราไปด้วยเส้นเอ็นก็ยังกามมกิเลสมันยังเหยียบย่ําทําลายหัวใจของลือศีอยู่ในป่าดงพงไพ่ก็ไม่เห็นว่าเป็นศีวิรษยอะไรก็เป็นสัตว์ที่รานอีกต่างหากที่มันสมสู่กันแต่ทําไมลือศีจึงเป็นทุกข์ อกทุกใจกับสัตว์เหล่านั้นนะทีนี้พระยาธรรมโสกราจะเอาอย่างไรที่จะสอนน้องชายให้รู้จักจากนั้นมาพระยาธรรมโสกรากหาวิธีเอแนะนำอำมาต ร, ราชสเวกให้ไปเกี้ยกล่อมน้องชายว่าเนี่ยพระยาธรรมโสกรามีอายุแก่มากแล้วต่อไปถ้าเผื่อท่านตายปุปปับขึ้นไปเนี่ย ก็ต้องพระ อ, องค์นี่แหละเป็นพระ อ, อนุชาเนี่ยนะจะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแทนพระญาธรรมศกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะอถึงวันนั้นน่ะพวกเราอยากจะดูแล้วเกินว่าถ้าหากว่าท่านได้แต่งองค์ทรงตัวขึ้นมาแล้วจะสามารถขนาดไหนลักษณะอย่างนั้น่ะเออจะสามารถขนาดไหนจะดูท่าทางเหมาะสมไหมที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ลองจากพระเจ้าพี่เมื่อพระยาพระเจ้าพี่สวรรคตไปแล้วตอนนี้พระญาผู้พระอนุชาน้องชายเนี่ยเอออยา่ยาอยา่ยาอยอยา่ยาไปทําอย่างนั้นได้ยังไงผิดเออบนเทียนบานของเขาถ้าทําอย่างไงคือมาถ้าพระเจ้าพี่รู้ขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะคอผมขาดแน่เลยกระเด็นเลยมันผิดอย่างร้ายแรงไปแต่งตัวได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่เอาตอนนี้ก็พวก ลีวลอ้อทางหลายก็พยายามพูดหลายครั้งตลอหลายหนจนใจอ่อนเะยแต่งั้นก็ทดลองดูก็ได้เพราะตัวเองก็อยากอยู่แล้วในใจใช่ไหมนี่กิเลสตัวนี้มันความอยากมักใหญ่ไฟสูงมันมีอยู่แล้วในใจของมนุษย์ชาติางั้นเถอะตอนนี้ท่านก็เอา้าแต่งตัวขึ้นมากิใส่ชุดพระราชาขึ้นมาพระราชาเทียมงั้นเถอะจากนั้นก็ใส่นี่พระแสงขันพระแสงดาบนี่ ใส่เต็มยศเลยวงั้นเถอะเหมือนกับพระราชาพระราชาเทียมว่างั้นเถอะเออพระราชาขึ้นมาเพื่อเมอทดลองดูว่าท่าทางจะเข้าท่าไหมลักษณะนะ่ะในช่วงที่กําลังแต่งตัวเต็มยศอยู่นั่นนะ่ะเขาก็ไปกระชิบพระเจ้าธรรมโศกพระเจ้าพี่ท่านนี่พระเจ้าพี่ก็มาเดินเข้ามาทั้งที่ยังไม่ได้เตรียมตัวทางนี้ว่างั้นพระเจ้าพี่ก็เดินดุ่มเข้ามาก็มาเห็น น้องชายแต่งองค์ทรงยศขึ้นมาพญาธรรมโสกอ้าวเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่ตายเอยังไม่สวรรคตโเนี่ยจะแย่งได้ ส, สมบัติเล่นเนี่ยพษิกษกดมุนเทียนบานจับมหาดเลยกจับทันทีเลยอ๋อหน้าช้อยงอยเงาเลยท่นนี่แต่นี่ก็พอจับเสร็จแล้วก็เอาขึ้นศาล วินิจฉัยได้แต่ถ้าทำอย่างนี้แปลว่าผิดกฎบนเทียนบานอย่างร้ายแรงโทษประหารลูกเดียวโทษประหารลูกเดียวผลที่สุดก็จะตัดสินแล้วประหารแตประหารน้องชายผู้แม่ไม่รู้อะไรโอ้ยลูกเว้ถ้าว่าจะประหารน้อ ง, องจริงๆก็ขอให้เขาคลองราดให้เขาของราชเกจบวันโดยเถิดที่เขาทำอย่างนั้นก่อ เขาก็คิดว่าในอนาคตเขาจะได้ครองเงื่อเพื่อเจ้าพี่สวรรคคตไปแล้วะยาธรรมโสดระดับอา้าวดังนั้นก็ได้ดางนั้นก็อา้าให้ครองราชทีนี้ถ้าก็ให้เป็นพระเจ้าเป็นดินเจ็ดวัดแต่ทหารมหาดเล็กอะไรป้อมรอบหมดว่างั้นจะสั่งการอะไร อ, อยู่ในกรอบพ่างั้นอะไม่ใช่ว่าจะสั่งการให้จับพระเจ้าธรรมโสดไม่ได้ว่างั้นอะ เพื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินไงให้อยู่ในกรอบให้เขาให้มีความสุขอย่างไรตามที่ต้องการทั้งสุราทั้งนาลีเอ อ, อะไรก็ได้ให้มีความสุขตามที่น้องชายต้องการเหมือนกันแต่นี้ก็น้องชายก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพยกให้เลยเยกให้เป็นยังไงได้เพราะตัวเองมีโทษประหารอยู่แล้วเจ็ดวันจะต้องตัดคออยู่แล้ว อ, อจากนั้นเขาก็จัด สนมกำรรนันนางฟอ้อนนาง ร, รํามาขับสีตีเป่าให้แก่พระเจ้าเป็นดินครองราชเจ็ดวันเน่ยเอาอย่างเต็มเหนี่ยวว่างั้นจ้ะแต่พอกลางคืนนั่นแหละสนุกสนานแต่ว่าพระเจ้าเป็นดินเนี่ยพระเจ้าเป็นดินใหม่เนี่ยคอตกตลอดเวลาค อ, อตกตลอดเวลา ไม่สนุกสนานกับเขาเลยวะงั้นเอเพ อ, อาะเหตุไรเพราะคิดวันอีกเจ็ดวันข้างหน้านี้ต้องตัดคอเราแน่เดาบต้องตัดคอเราทันี้พอถึงตอนเช้าได้เวลาหกโมงเพชฌฆาตก็เปิดม่านที่มีม่านกลั้นนะเพร้อมกำกัดใช้กังสดานที่เสียงกล้าวเสียงห้าว เคาะประโลงปองปางขึ้นมาแล้วก็ชูดาบขึ้นมาท่านครองราชเป็นพระเจ้าเป็นดินได้วันที่หนึ่งแล้วพระเจ้าข่าแล้วก็ปิดม่านจากนั้นก็บัรเลงเพลงอะไรต่อไปสนุกสนานต่อไปพอพุ่งี้เช้าอีกได้เวลาหกโมงนมาเปิดม่านออกอีกพเพชรข้าดมัดหัวใส่เครื่องสีแดงแต่งตัวแบบพเพชรข้าด มือหนึ่งมือสองมือสามเมือยกดาพร้อมกันท่านคลองราดเป็นวันที่สองแล้วพระเจ้าขาปิดไปอีกสนุกส น, นั้นเพิดเพลินเฮฮาอีกอจนถึงวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดไปว่าโอ้ใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเลยทนนีท น, นี้พญาธรรมโศกราชท่านก็เห็นว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเทวาถามเรียกน้องชายเข้าไปอา้าวหมดแล้วท่นนี้ ปลดออกจากพระเจ้าแผ่นดินล่ะเป็นน้องชายธรรมดาแหละไม่ใช่ปลดกษัตริย์ออกแล้วพระยาธรรมสุขท่าน้องชายมาน้องอานุชาไปยังไงที่คองราชเจ็ดวันนะมีความสุขสบายดีใช่ไหมตั้งน้องชายทั้งทั้งพูดทั้งสั่นด้วยนะเพราะมันจะต้องถูกตัดคอด้วนยะไม่พระเจ้าขา่าหาความสุขไม่ได้เลยเพราะ่หตยอะไร เพราะว่าความตายข้าพระ อ, องค์คิดถึงความตายที่จะมาถึงจะตัดคอในวันที่เจ็ดอยู่แล้วข้าพระ อ, องค์หาความสุขไม่ได้ทุกประการถึงจะมีเออมันเลงเพลงดนตรีประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสุราทั้งนาลีข้าพระ อ, องค์ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้แตะเลยเพราะว่าใจไม่ออกไปปฏิพัทิ ในสิ่งเหล่านั้นเลยพยาธรรมโสกราดก็เลยสอนน้องชายว่าน้องเคยได้คิดหรือเปล่าออสมัยหนึ่งน้องพูดว่าไปเห็นฤาษีอยู่ในป่าเนื้อหนังสะพังไปด้วยเช่นเอ็นยังมีความปฏิพัติกับสัตว์ที่มันมีเพศสัมพันธ์กัน จะพูดภาษาอะไรกับพระสงฆ์ที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างพระเจ้าพี่เลี้ยงแล้วจะไม่ให้เกิดกามกิเลสได้อย่างไรอันนี้น้องได้คิดไหมในเรื่องนี้ถ้าว่าพระสงฆ์และลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอน พระพุทธองค์บอกว่าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายทุกคนต้องตายถ้าพระสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนแล้วการมกิเลส์จะเกิดขึ้นในใจของพระสงฆ์เหล่านั้นได้ไหมน้องชายก็ยืนยันเพราะตัวเองเจอมาแล้วเนี่ยไม่ได้ครับผมก็ผม พิกษุด้วยตนเองแล้วก็ผมที่ว่าจะต้องตายภายในเจวันการมกิเลสตัวนีไ้ไม่รู้หายไปไหนหมดเพราะฉนั้นข้าพระองค์เชื่อว่าภิกษุองค์ใดก็าตามและลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกหรือลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอการมกิเลส ต, ตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์หลุมนั้นพระเจ้าค่ะฮะอย่างเนี้ยจําไว้ ถ้าว่าพระสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการม ก, กิเกลเตตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าว่าพระสงฆ์ปล่อยจิตปล่อยใจไม่เป็นพิรุปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นก็เป็นอย่างที่เธอพูดแน่นอนไม่ต้องสงสัยเอาเธอนะอันนี้เราเป็นการสอนเธอเท่านั้นละ่ะเราจะยกโทษให้จะไม่ประหารยกโทษให้ น้องชายก็ลงนั่งคุกเขา่ากราบพระเจ้าพี่จากนั้นเขาบอกว่าข้าพระ อ, องค์จะขอบวชในพระพุทธศาสนาตลอดไปจะไม่ยินดีในการครองครวัตดังนันท่านก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาพอบวชไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต์นะนี่แหละที่ผมพูดเบื้องต้นตว่านิสัยมักผลนิพพานอยู่ในพระอนุชา เต็มเปี่ยมอยู่แล้วก็ททำให้ลุ่มหลงมัวเมาถึงขนาดนั้นแต่นี้ถ้าว่าไม่ได้พี่ชายสอนให้ชัดเจนสอนให้ถูกทางท่านอาจจะคงจะลุ่มหลงไปได้ยาวนานทีเดียวเพราะนั้นพวกเราทุกท่กทานนะที่ยกสาธิตเรื่องธรรมวินัยเบื้องแรกก็ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับวินัยการเป็นอยู่ของวินัยจากนั้นก็มาพูดถึงธรรม แนวความคิดที่มันเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายเรื่องการมกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากพระที่จะอยู่ในศาสนาต่อไปได้หรือไม่ได้จุดนี้เป็นจุดที่หักเหมากทีเดียวทั้งว่าใครท่านผู้ใดก็ตามตัดกิเลสตัวนี้ได้ออกจา ก, ก จ, จิตใจตัวราคะตัวราคะกับตัวโทสะเนี่ยมันจะกระเด็นไปพร้อมกัน ยังเหลือแต่ตัวโมหะคือความหลงตัวราคะกับตัวโทสะมันจะกระเด็นออกจา ก, กจิตใจพร้อมกันก็คือพระอนาคามีถ้าว่าตัดออกแล้วพระอนาคามีตายแล้วจะไม่ลงมาเกิดในพื้นมนุษย์อีกอยู่ในสัตว์สุทธวาทาหชั้นอวิหาอัตปาสุตสาสุีสกนิธฐาจะไม่ลงมาเกิดพร้อมที่จะเข้าสู่ นิพพานไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกพระอนาคามีคือตัดกิเลสราคากะกัโทษสยังเหลือแต่โมหะเอาขึ้นไปพิจารณาอยู่ชั้นพรมโมหะละเอียดตัวกิเลสอย่างละเอียดยังติดข้องอยู่ในใจของพระอนาคามีเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยก็คือให้ะระลึกถึง มรณะภัยคือความตายอย่างน้องของท่านพญาธรรมโศกราชน ะ, ะแล้วการ ม, มากิเลตตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจแน่นอนไม่ต้องสงสัยพวกเรานึกๆ น, น, นวนกลับตานึกๆดูอย่างที่ผมได้กล่าวมาผมคิดว่าน่าจะเป็นเออย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นมางั้นแต่เนี่ยนี่คือเป็นแนวแถว ที่พวกเราให้พวกเราได้ศึกษาได้คิดจากนั้นก็พวกเราก็จะได้เดินตามพระธรรมคาสั่งสอนอย่างอื่นต่อไปนะในการพูดในวันนี้ก็รู้สึกว่าพูดได้ยาวเพื่อเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระที่จะดํารงสงศาสนาให้อยู่นานเท่านานควรจะคิดยังไงในใจและก็พูดยังไงการพูดออกไปและทำยังไง ในการกระทาสรุปแล้วก็คือกายว า, ายใจใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละการพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรต่อนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก